ทำยังมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประภูยานในวันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องโพชฌงมาจนถึงเรื่องของสมาธิที่เราเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงสมาธินั้นคืออาการที่จิตสงบอยู่ในกุศลและธรรมที่จริงก็ก็อยังใดอย่างหนึ่ง แต่ว่าในความหมายที่ท่านมุ่งหมายจริงๆคือให้สงบอยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดระลึกเป็นเบื้องต้นและต่อจากนั้นก็จะเกิดผลเป็นความสงบที่ท่านเรียกว่าองฌานคือมีวิตกความตรึกที่เป็นกุศลมีวิจารณ์ความตรองที่เป็นกุศล มีปิติความเอิบอิ่มใจที่เกิดขึ้นแก่กายบางแต่ว่าจิตเป็นตัวเสเวยอารมณ์และมีความสุข ก, กายสุขใจใจสงบเป็นสมาธิและมีความเปลี่ยนแปลงในตัวสมาธินั้นไปโดยลำดับคือจิตจะมีความประนีตลึกซึ้งลงไปเรื่อยๆ พอถึงจุดหนึ่งนั้นอาการวิตกที่เป็นกุศลอาการวิจารที่เป็นกุศลก็สงบลงจิตใจเสวย อ, อยู่แต่ปิติกับสุขและสมาธิแต่พอถึงจุดหนึ่งแม้แต่ปิติก็สงบลงยังเหลือแต่สุขกับสมาธิ พอถึงจุดหนึ่งแม้สงบสุกเองพอสงบลงยังเหลือแต่อุเบกขาคือเป็นอาการของปัญญาพินิจพิจนากับสมาธิแต่ว่าการเหล่านี้มันเป็นผลมันเกิดเมื่อก็เกิดไม่เกิดเมื่อก็ไม่เกิดหน้าที่ของบุคคลผู้ปฏิบัติก็คือสร้างเหตุที่จะเกิดผลในลักษณะนั้น เนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรกในปีพุทธศักราช2545จึงใค่จะกล่าวธรรมะที่อยู่ในกระแสของโพชฌงค์รุงธรรมที่จะนำบุคคลให้รู้ธรรมตามเสด็จรออยู่บนบาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงว่าเป็นทางแห่งความสวัสดี ดุทรงแสดงเป็นใจความว่ารงไม่เห็นความความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายนอกจากปัญญาความเพียรอินเซียสังวรและการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงออกไปเราเห็น ว, ว่าถ้าเรามองในแง่ของพุทชงปัญญาก็คือธรรมวิจยาสำพุทชง ความเพียนก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์อินเซียสังวรเองก็อยู่ในวิริยะสัมโพชฌงค์การถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นอาการของปัญญาก็สรุปว่าก็อยู่ในกลุ่มของอริมารมีง์แปประการนั่นเองแต่ว่าเป็นการแสดงธรรมะโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่ง ปัญญานั้นเป็นหลักการสําคัญที่เราจะต้องเจออยู่ตลอดเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสน า, าของปัญญาตามปกติแล้วทรงจําแนกปัญญาไว้เป็นสองช่วงช่วงแรกก็คือปัญญาซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยวาสนาบารมีที่เราอาจจะเรียกว่าปัญญาบารมีหมายความมาติดตัวเราเองมาโดยกําเนิด บุคคลเหล่านี้พอโตขึ้นมองเห็นอะไรก็สามารถจะคิดจนเกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างที่เกิดแก่บุคคลสําคัญระดับราหันทั้งหลายซึ่งเราดูแล้วว่าไม่น่าจะเกิดปัญญาเกิดมาได้แต่ท่านเกิดปัญญาขึ้นมาได้ดยกตัวอย่างบัณฑิตสำเร็ึทีเป็นสําเร็จเด็กๆอายุเพียงจ เป็นลูกของเศรษฐีมีฐานะมั่งคั่งได้พอใจติดใจที่จะบวชยินดีในความเป็นนักบวชของพระสารีบุตรขอบวชในสำแหนักของพระสารีบุตรได้เดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตในบ้านบนเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้เห็นชาวนาไถานาข้าวนา จึงเรียนถามภาษาริบุตรว่าเขาทำอะไรภาษาริบุตรบอกว่าชาวนาก็าไถ่น้ำเขานาท่านก็ถามว่าน้ำนี่มีจิตรหรือเปล่าภาษาริบุตรบอกไม่มีจิตท่านก็นมาคิดว่าเออมันก็แปลกน้ำไม่มีจิตแต่อาศัยคนซึ่งมีจิตสามารถจะทดน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปสู่ที่สูงได้ เรามีจิตมันน่าจะฝึกกิตตัวเองให้ขึ้นสู่ที่สูงได้ก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็ไปเจอช่างถาก็ถากไมาอยู่ก็สอบถามว่าเขาทาอะไรพระสารีบุตรบอกช่างถาก็ถากไม่ถามมาถากทำอะไรถากให้โคดถากให้ทรงถากให้โค้งถากให้งอ ตามที่เขาต้องการจะทำอะไรก็ตามท่านก็ถามานามไม้นี่มีจิตหรือเปล่าภาษาที่บุตรบอกว่าไม่มีจิตท่านก็คิดอีกอะเออมันอจจจัศจรรย์ไม้ไม่มีจิตแต่อาศัยคนที่มีจิตนี่สามารถจะตัดสามารถจะทาให้เป็นไปตามที่ตนต้องการได้เรามีจิตแล้วก็น่าจะฝึกจิต ให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ก็เดินไปหน่อยหนึ่งก็ไปเจอช่างสอนกำลังดัดถูกสอนเล้วก็เล็งด้วยหางตาให้ตรงไม่ยังไม่ตรงก็ลนไฟแล้วก็ดัดกับง่ามไม้แล้วก็เล็งด้วยหางตาทมอยู่อย่างเนี้ยทาแล้วทําอีกทาเดินก็หยุดดูแล้วก็ถามพระสารีบุตรว่าเขาทำอะไร พระชายีบุตรบอกช่างสอนก็ดัดลูกสอนเพื่อให้ตรงถามที่เขต้องการถามว่าสุลูกศอนนี่มันมีจิตหรือเปล่าพระชายาบุตรบอกไม่มีจิตท่านก็่คิดแบบเดิมอ่ะเอออาศัย จ, จันในลูกสอนมันไม่มีจิตแต่อสายคนซึ่งมีจิตนี่สามารถดัดลูกสรให้ตรงได้ตามที่ตัวต้องการนัปภาษาอะไรกับเราซึ่งมีจิตมันก็น่าจะดัดจิตให้ตรงได้ ท่านคิดเห็นด้วยปัญญาเช่นนั้นแล้วไม่ยอมไปบินธบาตไม่ยอมจันอาบจะกลับไปเจริญกรรมฐานที่วัดแล้วกลับมาก็มาเจริญกรรมฐานพระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติในอนาปานสติกกรรมฐา น, นจำเจริญไม่นานไม่ถึงเที่ยงวัน ก็บรรลุมรผลเป็นพระหันก็นี้จะเห็นว่าไม่ใช่คนธรรมดามันเป็นปัญญาที่สามารถหาประโยชน์จากอะไรก็ได้แต่เป็นปัญญาที่ติดมาโดยกำเนิดมั่นไม่มีข้าวความคิดที่อาศัยการแนะนำสั่งสอนจากบุคคลอื่นแต่คนเหล่านี้ก็เข้าใจคิดตัวเอง เคยพบประวัติพระปเจกับพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าที่จัดสรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่สร้างศาสนามีฐานะสูงกว่าพระอราหารันต์แต่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านบารรลุมรรคผลด้วยการคิดเรื่องง่ายๆจะมีองค์หนึ่งเป็นกษัตริย์ก็เดินผ่านไปที่ สาวชชยก็กำลังทำงานมีนางกำนันคนหนึ่งแกสวมกำไลที่มือข้างละอันอกกพอแกจะซักผ้าแกก็ถอดกำไลจากมือหนึ่งไปใส่ไปที่มือแดงเวลาขยำผ้ า, า, าเวลาซักผ้าเสียงกระทบของกำไลก็ดังต้องเกิดสะดุดว่าไถยขึ้นมา วันนี้ไม่กำไรเมรื่อก่อนต่างคนต่างอยู่ก็ไม่กระทบกันก็ไม่มีเสียงแต่พอนามาสวงรวมกันในมือเดียวกันมันเกิดกระทบกันแล้วเกิดมีเสียงการอยู่รวมกันของคนก็มีลักษณะอย่างนั้นคนยิ่งมากยิ่งยุ่งยิ่งกระทบยิ่งเดือดร้อนยิ่งบุนวายยิ่งมีมปัญหาให้แก่กันสารพัด เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้เป็นอิสระก็ต้องแยกไปอยู่คนเดียวแล้วก็ยืนพิจารณาเสียงกำไรนั่นเองบรรลุปเป็นพระปัเจกพุทธเจ้าในขณะที่ยืนอยู่นั่นแหละนั้นแสดงให้เห็นว่าปัญญาที่สะสมมานั้นทันมาก ท่านมองอะไรก็ได้มันเหมือนอรนารมณ์กรรมฐานที่ได้พูดมาแล้วต่นลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องมันก็ไม่น่าจะคิดอะไรได้ลึกซึ้งขนาดานั้นแต่ท่านคิดของท่านได้บางองคบางองค์เห็นก้อนเมฆบางองค์เห็นต่อมน้ําเห็นฟองน้ําเห็นพยับแดดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเห็นก้อนหินที่ถูกเสาะฟังทลายลงมาเป็นต้น ท่านก็สามารถคิดออกไปได้ไกลแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเพราะปัญญาประเภทนี้เราไม่รู้ว่าใครมีมากมีน้อยต่างคนต่างก็สะสมปัญญาบารมีมาในภพชาติต่างๆเดียปัญญาในแต่ละเรื่องก็มีความแตกต่างกัน ซึงจะเห็นได้ว่าคนที่มีพื้นฐานปัญญาในเรื่องอะไรได้มากจะมีความสนใจจะมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นได้ในเวลาทั้เดียวแต่ถ้าปัญญาในเรื่องนั้นไม่มากก็จะเข้าใจในเรื่องนั้นได้ช้าเพราะฉะนั้นจึงมีปัญญาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวาโยคปัญญาเกิดขึ้นจากเราสร้างขึ้น เพราะยังไงเราก็เกิดมาด้วยอวิชชาต่างคนต่งางก็ไม่รู้อะไรกันมาเท่าไรโลกเราจึงเป็นโลกของการศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนายิ่งเป็นาศาสนาของการศึกษาเรียนรู้และในการเรียนรู้นั้นเอาค้อจริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรไม่สำคัญสำคัญมาเราเข้าใจมันอย่างไงแล้วเราจะหาประโยชน์จากมันได้อย่างไง คนนี้พึดูตัวอย่างตอนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะจสัตยรู้ทิท้งที่ทรงเห็นแล้วก็นํามาคิดก็คือเรียนด้วยตาแล้วก็นํามาคิดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรพิจิตพิสาดานแต่เปลี่ยนเพียงท่อนไม้สามท่อนแต่นั้นเองถ้ามองท่อนไม้มาเทียบกับพระไทยน้อมน้อมพระไทยไปเทียบกับท่อนไม้แล้วก็ได้หลัก ที่ทรงวินิจฉัยตัดสินและเลือกทางดาเนินได้โดยาการดูท่อนไม้พันแรกเป็นไม้สดที่ชุ่มอยู่ได้ยางและวางไว้ในน้ำพระประทับนั่งใกล้แม่น้ำในรัญชราเราสามารถจะเห็นท่อนไม้ในน้ำในบนบกในอะไรตัวอะไรต่างๆได้ ก็ทรงคิดว่าสํานักพราหมณ์เราใดเหล่าหนึ่งที่กายก็ยังไม่ออกจากกามทั้งจิตใจก็ยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสํานักพรามณเหล่านั้นแม้ใช้ความเพียรพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถบรรลุคุณพิเศษขึ้นมาได้เปียกเหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางและวางไว้ในน้ําคนที่ต้องการไฟน้ำมันสีจะให้เกิดไฟขึ้นมามันก็เกิดไม่ได้เพราะเปียกทั้งยางทั้งนั้น จิตใจของบุคคลที่บําเป็นเพียรก็มีลักษณะอย่างนั้นตากายก็ยังคุกครีอยู่ในเรื่องของวัตถุกรรมใจก็ยังปัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุการามด้วยอานาจของกิเลสกรมแต่ใช้ความเพียรพยายามอย่างไงก็ไม่สามารถปัรุุคุณพิเศษได้ท่อนไม้ต่อไปเป็นไม้สดที่ชุบอยู่ด้วยยางไปวางไว้บนบ มีต่างกันคือเปียกเฉพาะอย่างอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เปียกน้ําถึงกันนั้นก็ไม่สามารถจะเสียเกิดไฟขึ้นมาได้ทรงพิจารณาว่าสำนพราหมณ์เราได้เราหนึ่งที่มีกายออกจากกามแล้วแต่ว่าใจยังพัวพันหมกมุ่นอยู่ในกามสำนาพราหมณ์เหล่านั้นจะใช้ความเพียรพยายามให้แสบเป็ดอย่างไรก็ตาม จะไม่สามารถปันลูกคุณพิเศษได้เหมือนไม้สดที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแม้จะวางไว้บนบกก็ตามแต่ยังไงก็ยังเปียกยังชื้นด้วยยางอยู่บุคคลต้องการเอามาเสียเกิดไฟก็ไม่สามารถจะเกิดไฟขึ้นมาได้และตรวจสอบเทียบเคียงพระองค์ก็อยู่กึง่งๆสิ่งเหล่านี้อยู่ยังมีปัญหาที่ประเทศไทย ตัวกายนั้นออกจากกามมาแล้วแต่ว่าพระไทยยังแกว่งยังยังไม่เรียบร้อยก็มาตรวจดูตอนไม้ท่อนที่สามว่าสัมณพราหมณ์เราเลนเราได้เราหนึ่งมีกายก็ออกจากกามแล้วใจก็ยังใจใจก็ไม่พัวพันหมกุ้นอยู่ในกามสัมณพราหมณ์เหล่านั้นเมื่อใช้ความเพียรพยายามถูกทางก็าสามารถบรรลุ ค, คุณวิเศษได้เหมือนไม้แห้งที่ปราศจากอย่างและวางไว้บนบก คือไม่เปรียกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วพร้อมที่จะเกิดไฟแต่ว่าไฟมันเกิดขึ้นมาได้ถ้าคนไม่เอาไม้สองอันมาสีกันเพราะ้นผลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยใช้ความเพียรพยายามเพราะนในเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ทางภาษาสัมผัส แล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดเป็นิติจารณาจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือสัมผัสตรงปฏิบัติให้เกิดสัมผัสตรงเช่นสมมติว่าเราเรียนเรื่องเมตตามาจะตั้งจิตที่ประกอบไปเมตตาในคนในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมตตามันจะขจัดความรู้สึกมีเวรมีภัยมีอันตรายเบียดเบียนกันปะทุสลายกันออกไป อย่างน้อยที่สุด ใ, ใจเราไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดประทุษร้ายไม่คิดทำลายใครก็มีความสงบเย็นปรากฏขึ้นภายในใจแล้วก็สัมผัสได้โดยใจกล้ๆกับของอร่อยเนี่ยคือเราต้องรับประทานเองจึงจะสามารถอธิบายชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้แต่ถ้าไม่ลงมือรับประทานก็ยากที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจ ปัญญาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัญญาที่รู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นครานี้ท่านสายชนทั้งหลายลองสังเกตว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่สลับซับซ้อนแต่จะถ่ายถอนกิเลสที่มันยากจะเรื่องความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากสี่เรื่องใหญ่ๆห่ จิตใจของคนเรามีความสับสนพอความเกิดก็อยากให้เกิดบางทีก็ไม่อยากให้เกิดมีการวางแผนครอบครัวบางทีก็อยากให้เกิดคือเอานิยายไม่ค่อยได้เหมือนกันแต่พอความแก่สมัครตัวเองชัดไม่ชอบชักปฏิเสธความแก่พกคนอื่นแก่เราก็เฉยเฉยไม่เดดร้อนอะไร ก็แสดงว่าเราเองก็สับสนไม่รู้จะเอาแก่หรือจะเอาไม่แก่พอตอนเราแก่จากเด็กเป็นผู้ใหญ่เราก็ชอบพอแก่จากกลางคนเป็นคนแก่ชักไม่ชอบแต่ชอบหรือไม่ชอบมันต้องเกิดเพราะพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วนี่เราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายเราต้องพัดพากสูญเสีย ความเจ็บก็เหมือนกันนะเราเจ็บเราไม่ชอบแต่คนที่เป็นศัตรูเจ็บเราชอบคนที่เป็นมิตรกับเราเจ็บเราไม่ชอบพอเราเจ็บเองยิ่งไม่ชอบใหญ่นั่นก็แสดงว่าไม่รู้ความเจ็บมันดีหรือไม่ดีเพราะเราอยากให้คนอื่นเจ็บคนที่เราไม่ชอบมันเจ็บแต่พอเราจะเจ็บเราก็ไม่ชอบ แต่ละอย่างนั้นมันสับสนในด้านความคิดพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราเออกมาคิดคิดจนเห็นจริงไปจับแจ้งแก่ใจแน่นแต่ถึงความตายกับการพระพราสูญเสียก็คิดในลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทําไมทรงสอนให้ออกมาคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆตึกนึกบ่อยๆเพราะว่ามันทําใจยาก จิตใจมันต่อต้านดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัดพรากความตายความเจ็บความแก่ช่วงกลางคนถึงตอนแก่ไปเรื่อยๆนี่เราไม่ชอบพระองค์ก็ทรงสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเดือนพิจารณาอยู่สม่ําเสมอพิจารณาบ่อยๆคิดไว้บ่อยๆเห็นคนแก่นึกว่าเราก็แก่เห็นคนเจ็บนึกถึงว่าเราก็ต้องเจ็บเห็นคนตายนึกถึงว่าเราก็ต้องตายเห็นคนทัดพรากนึกว่าเราก็จงพัดพราก มันอย่างน้อยที่สุดจะกระตุต้นเตือนให้อยู่อย่างมีสติอยู่ด้วยความไม่ประมาทถึงจะตายทั้งทีก็ต้องพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นสารกแก่นสาเนเกิดขึ้นแก่ชีวิตเพราะนั้นปัญญาในการมองตรงนี้จะเรียกว่าปัญญาบริหารตนเองได้ปัญญาที่รักษาตนคุ้มครองตนเองได้ ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอุปสรรคอันตรายอะไรขึ้นมาประการต่อไปเป็นเรื่องของความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงความเพียรที่ใช้ไปตั้งทางกายและทางจิตความเพียรในทางกายนั้นบึงสังเกตว่าเป็นความเพียรในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆ ในตรง น, นี้มีกรอบอยู่ว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดสินธรรมกันจะประกรอบอาชีพจะทําการงานจะปฏิบัติภารกิจต่างๆจะไปเล่นกีฬาจะไปอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันมีข้อแม้ว่าอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าผิดสินธรรมหมายความความเป็นความเพียรที่ถูกกากับด้วยสัมมาวาจาสัมมากันตาสัมมาชีวะ ถ้าพู ด, ดระดับศีลก็เรียกว่าความเพียรระดับศีลหมายความควบคุมอ า, ม ก, าการกายวาจาของตัวเองเอาไว้ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นและความเพียรอีกระดับหนึ่งเป็นความเพียรระดับจิตเพียรในการฝึกจิตอบรมจิตปฏิบัติ จ, จิตของตัวเองให้กิเลสที่ยังไม่เกิดไม่เกิดกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ลดลง ความดีที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทรงสอนในรูปคล้ายๆการเราทำสงครามมันเหมือนกองทัพรบกันในลองสังเกตกว่ากองทัพรบกันฝ่ายที่ ช, ชนะเนี่ยคือจะรูปคืบคลานขึ้นไปรือยึดครองพื้นที่เอาไว้ แล้วก็รูปต่อไปแล้วก็ยึดครองพื้นที่เอาไว้แล้วก็รูปต่อไปยึดครองพื้นที่เอาไว้รูปจนกว่าจะประสบชัยชนะใจเรามันเหมือนกับสนามที่เป็นเราต่อสู้กับกิเลสมันจะต้องเอาชนะกิเลสที่ยึดครองจิตใจเราให้ได้แต่ว่าเรื่องกิเลสเป็นเรื่องใหญ่มันก็ค่อยๆสู้กันไปทั้งหยาบกลางละเอียด ในแนวตัว น, นี้เป็นการพูดในแนวระดับกลางที่กล่าวแล้วนั้นเป็นแนวระดับหยาบใ น, นระดับกลางก็คือว่าเพียรระวังไม่ให้บาปไม่ให้อกศูนเกิดขึ้นในสันดานทรงใช้คําว่าสังวรปรปทานคือเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตตสันดานแล้วปะหานปฐทาน ให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อนเนื่องในการกระจัดบา ป, ปกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้จางคลายลงไปจากจิตใจแล้วให้ปลูกฝังความพอใจใช้ความพยายามกระทำความเพียรอย่างต่อนเนื่องในการเจริญกุศลคือความดีทั้งหลายสูงขึ้น จะมีสติเพิ่มขึ้นมีสัมมาัญญาเพิ่มขึ้นมีเมตตาเพิ่มขึ้นมีกรุณาเพิ่มขึ้นเป็ต น, นและความดีที่เกิดแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นมานั้นจะมากหรือน้อยก็าตามให้พยายามรักษาไว้และพยามกันจนกว่าที่พวกบาปทั้งอย่างไม่เกิดได้เกิดแล้วหมดไปผู้ฟังทั้งหลาย แต่รงมโพติาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี